การนําความเข้าใจเรื่องกบปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญอันหนึง่ง mm hmm. การเกิดตัวสุวตะมิยปัญญากับจินตามิมยปัญญาเราฟังแล้วเข้าใจถูกต้องเวลาไปทําเราก็จะไม่อลังเลนะแต่ว่าในช่วงที่เราไปทําเนี่ยเรามักจะไปทําตามที่เราคิดไม่ได้นึกถึงตอนที่เราพูดคุยกันตรงนี้คงจะอาศัยกันและลึกบ่อยๆเอาว่า ช่งเช้าบทเรียนวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างเวลาจะลงมือทาำมาคอยระลึกอยู่เว่าช่วงเช้าวันนี้แต่ละวันก็จะมีบทเรียนให้ศึกษานะเนี่ยเพื่อจะเห็นวัฒนาอีวัฒนาการหรือการพัฒนาอารมณ์ปฏิบัติไปเพราะในทางปฏิบัติเราก็มีถึงสามระดับคนใหม่คนกลางและคนเก่านะ นี่ถ้าหากคนใหม่คนจะเริ่มต้นดูตรงไหนคนกลางที่ลูบน้ำแล้วคนจะเริ่มต้นดูตรงไหนคนที่เคยปฏิบัติเข้าใจปรมาทัตแล้วเนี่ยควรจะรู้ตรงไหนอันนี้ก็จะบอกเป็นไนยะเอาไว้นะในช่วงปฏิบัติเราก็ไม่ได้พูดกันเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องบทเรียนในช่งชวงเช้าพูดถึงบทเรียนที่ปฏิบัติในวันนี้ในช่วงเย็นเราก็จะถามว่าบทเรียนที่เราให้กับตอนเชา้าวันนี้เอาไปทําเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้นช่งเช้าก็คือการให้การบ้านช่วงเย็นคือการตรวจการบ้านเองอสำหรับผู้ใหม่ก่อนนะผู้ใหม่ให้ดูความรู้สึกตัวให้เป็นกันนะความรู้สึกตัวที่เราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเวลานั่งยกมือเป็นจังหวะสิบสี่จังหวะนะให้ยุ้หยุดรู้เคลื่อนนะ เวลาหยุดแต่ละจังหวะพลิกมันมีสิบสี่จังหวะมีสิบสี่เคลื่อนมีสิบสี่หยุดนี่ถ้าหากว่าเราจะให้มันชัดทุกเคลื่อนทุกหยุดเราก็จะเครียดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยนะเพระจิตของเรามัไหลลื่นไปเรื่อยๆพอเรามาดักให้มันเคลื่อนมาหยุดตามที่เราต้องการก็จะรู้สึกฝืนนะ เพราะนั้นก็ให้รู้เป็นเท่าไหรก็เท่านั้นเนี่ยตั้งใจรู้ว่าเอออย่างนี้เคลื่อนนะอย่างนี้หยุดรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆสดับผู้ใหม่เวลานั่งนะส่วจริงเคลื่อนมันมีสิบสี่หยุดมีสิบห้ามันมียี่บเก้าเาอาจจะรู้ห้าบ้างสิบบ้างยี่สิบบ้างยี่สิบห้าบ้างบางครั้งก็จะรู้สามบ้างรู้สี่บ้างรู้เจ็ดบ้างอะไรเนี่ย แต่เขาให้รู้ว่ามันมีการเคลื่อนกันหยุดแต่ถ้ามันไหลลื่นไปไม่มีเคลื่อนมีหยุดเลยนี่รู้ว่าไม่ถูกนะเพราะเราต้องการกันเกิดรู้การเกิดดับเป็นหยับยาบสมมติการเคลื่อนเป็นการดับการหยุดเป็นการเกิดบางครั้งเราเอาการหยุดเป็นการดับเอาการเคลื่อนเป็นการเกิดความจริงเปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องการเอาการเกิดดับเป็นอารมณ์นะแต่การเกิดดับในระดับผู้ใหม่การเกิดดับในระดับผู้ ปานกลางการเกิดดับในระดับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยจเจ้อะไรนะนั้นผู้ใหม่การเกิดดับระดับผู้ใหม่ก็ให้เวลานั่งสร้างเจ้าให้รู้เคลื่อนยุดหยุดส่วนจะรู้มากรู้น้อยขึ้นอยู่กับความตั้งใจถ้าตั้งใจรู้มากมันก็จะรู้สึกตัวได้มากจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วถ้าตั้งใจรู้ปานกลางมันก็จะรู้ปานกลางถ้าไม่ค่อยตั้งใจรู้มันก็ยี่สิบเก้าจังหวะ ยี 29, เก้าเคลื่อนยี่สิบเก้าสิบสี่เคลื่อนสิบห้าหยุดเนี่ยมันก็อาจจะรู้สักเคลื่อนจะรู้สองสามครั้งหยุดก็จะรู้สองสามครั้งเราก็พยายามรู้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเวลานั่งนั่งไปนานๆมันเบื่อแล้วก็ลุกขึ้นเดินทีนี้เดินเราจะแล้วแต่เราจะเดินสิบเก้ายี่สิบเก้าเจ็ดเก้าสิบห้าเก้าก็ได้แต่ให้รู้เวลาเคลื่อนยกเท้าเคลื่อนแล้วก็เหยียบ รู้สึกอย่างไรนะเวลาเดินยกขึ้นมันเคลื่อนเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นมันเคลื่อนอะ่ะพราะก้าวปั๊บก็ไปเลยเราก็เข้าไปในความคิดนีคนทั่วไปพอไปปั๊บก็เราเดินไปตามความคิดแต่เวลาเรามาปฏิบัติเราต้องต้องเดินตามความรู้สึกตัวเราพยายามให้รู้สึกให้มากในการเดินเช่นยกอย่างไรเหยียบอย่างไรเคลื่อนอย่างไรหยุดอย่างไรให้รู้ให้มาก ถ้ารู้เราโดยสิบเก้าก็ให้รู้อ่าสิบเก้ามันก็แสดงว่ามีหยุดสิบเก้ามีเคลื่อนเนี่ยสิบเก้าเก้าหน้าเก้าหลังเนะีแสดงว่าทั้งเคลื่อนทั้งอยู่มันมีถึงยี่สิบนะในยี่สิบนี้เราจะรู้ห้ารู้เจ็ดรู้สิบรู้สิบห้าแล้วแต่เราจะตั้งใจรู้ละทาไม่ตั้งใจมันอาจจะรู้สองสมทีมันก็เข้าไปในความคิดเลย ถ้าตั้งใจรู้มากมันก็ออกมาจากความคิดเราต้องการแปลงความคิดให้เป็นความรู้นะถ้าเรารู้สึกตัวได้มากความคิดก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ได้มากกิเลสก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาได้มากถ้าเราไม่ตั้งใจรู้แต่ความรู้สึกตัวกลับกลายไปเป็นความคิดปัญญาก็กลายเป็นกิเลสไปอันนี้เป็นข้อสังเกตสาหรับผู้ใหม่นะเวลานั่งก็ให้รู้ที่การเคลื่อนไหวที่มือไม่ต้องนับก็ได้ รู้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่จะนับให้มารู้ทุกครั้งไปเนี่ยนานๆไปแล้วก็จะเบื่อมันฝืนเกินไปเบื่อบ้างหนักบ้างปวดหัวบ้างเพราะเราไม่เคยรู้เท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นแต่ตั้งใจรู้เบื่อบ้างบางครั้งเบื่อบ้างบางครั้งขยันบ้างสลับกันไปสลับกันมาเวลาเดินก็ให้รู้ก้าวรู้หยุดรู้เหยียบรู้ยกให้ไปรู้ตรงนั้นถ้าไปรู้มากแบบหนอก็ไม่ไหวกันหนักสักพักก็เบื่อ ว่าจิตของเราฝืนให้รู้ว่ารู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นรู้แบบสบายๆมันยี่สิบครั้งอาจจะรู้ห้าครั้งเจ็ดครั้งสิบครั้งก็ช่างมันแต่ขอให้ให้รู้ว่าเออเรารู้นะเหยียบเราก็รู้ยกเราก็รู้นะบกักครังมันก็ลืมไปเผือเข้ามาในความคิดเอากลับมาตั้งรู้ใหม่สําหรับผู้ผู้ใหม่ก็จะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ระหว่างนั่งกับเดินนะทีนี้มาผู้ปั่นกลางบ้างผู้ปั่นกลางหมายความว่าได้อารู้ รูปนามบ้างแล้วว่าเออรูปนี้คือความรู้สึกตัวรูปนี้คือรู้สึกที่กายกายหนักกายเบากายเคลื่อนกายไวรู้สึกที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบที่กายว่าเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเส่นอากาศร้อนมากระทบกายเราชอบหรือไม่ชอบนี่เขาเรียกว่าถ้ารู้รอ๋อนี่มันชอบอ๋อนี่มันเฉยเฉย บางครั้งเราก็รู้แล้วก็ชอบบางครั้งก็รู้แล้วไม่ชอบบางครั้งเราก็รู้แล้วก็เฉยเฉยรู้สามอาการนี่ยคนที่่านกลาง ก, ก็จะรู้มากขึ้นมาหน่อยไม่ใช่เลายุอยู่รู้เคลื่อนอย่างเดียวละรู้ว่าถ้ามีการกระทบจะเหยียบเนี่ยรู้สึกเป็นไงใจชอบใจชอบที่จ ใ, ใจไม่ชอบใจคิดหรือใจไม่คิดหรือใจเฉยเฉยคนปานกลาง ก, ก็จะรู้ขึ้นมาถึงเรื่องความเวลาเหยียบเวลายก ก็มาดูใจว่าใจเป็นไงคิดหรือไม่คิดชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยทีคนปานกลางก็จะรู้ไประดับนี้ที่ไม่ชอบเนี่ยเราทําตามมันไหมหรือดูมาเฉยเฉยเผอตามมันไหมเราไม่ชอบเผอคิดกับมันไหมหรือเราเฉยเฉยเนี่ยเผลอมุงแต่งอะไรไหมดังั้นผู้ปานกลางรู้รูปหนางไม่ใช่รู้หนักรู้เบารู้เคื่อนรู้หยุดอย่างเดียวนะทีนี้คนปานกลางจะมารู้คิดไม่คิด ชอบไม่ชอบหรือเฉยๆจะรู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคนปั่นกลางถต่ว่ารู้ในระดับรูปนามก็จะลึกเข้าไปทีนี้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์รู้รูปนามเริ่มรู้ปรมาตา์บ้างแล้วนั่นก็จะไปรู้ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยรู้พร้อมตอนหดเกีบเท้าไหมเวลาเหยียบไปความกระเทือนของเท้าที่ก้าวเหยียบทะลุไปถึงไหน ถึงทะลุแค่าขาทูลุไปถึงเอวอู้ไปถึงหลังทะลุไปถึงไหล่หรือเวลานั่งเราเห็นความหนักที่มันหนักที่ตะโพกเนะมันวิ่งขึ้นไปถึงไหนวิ่งไปถึงเอวถึงอกถึงไหล่ถึงหัวหรือมันร้อนมันร้อนไปเฉพาะกายหรือร้อนที่ใจด้วยมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความร้อนตัวนี้เวลาลุกเวลานั่ ง, งก็จะรู้ว่าเวลาลุกอาการหนัก หายไปไหนอาการเบาเกิดขึ้นอย่างไรเวลาเดินก็จะเห็นการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหวเป็นชัดขึ้นอันนี้ในระดับปรมาตาก็จะรู้ละเอียดขึ้นเวลายกเวลาเหยียบเวลาการสั่นสะเทือนของกายแลว้วเวลาเหยียบหนักเหยียบเบาเห็นแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปถึงถึงไหนเพราะนั้น คนที่มีประสบการณ์แล้วก็จะมาดูตัวสัมปชัญญะตัวสมาธิมากขึ้นว่าอารมณ์รู้ตัวทั่วพร้อมกับอารมณ์ตั้งมั่นในปัจจุบันนะ่ได้นานแค่ไหนความคิดเข้ามาบ่อยหรือความคิดมีหรือความคิดไม่มีความคิดมีมันอยู่อย่างไรความคิดไม่มีใจมันอยู่อย่างไรอันนี้ผู้มีประสบการณ์นั่นปรมาจแล้วก็จะมาดูพวกนี้มากขึ้นเพราะ น, นั้นเองก็ ทุกคนอีกทีหนึ่งนะสำหรับผู้ใหม่ผู้ยังไม่เคยเลยเนี่ยเวลานั่งให้รู้เคลื่อนรู้หยุดของมือส่วนจะรู้ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ความตั้งใจแต่ท่านให้รู้ปานกลางถ้ารู้มากเกินไปมันจะหนักมันจะเบื่อจะง่วงถ้ารู้น้อยเกินไปใจมันจะลอยมันจะคิดหลงไปความคิดให้รู้ปานกลางหมายของว่ากลับมารู้บ่อยๆแล้วขยับให้มากขึ้น ขยับมากขึ้นแล้วรู้สึกเป็นไงเบื่อไหมเซ็งไหมง่วงไหมถ้ามันเบื่อมันเซ็งมันง่วงก็ขยับให้น้อยลงก็เปลี่ยนมาเป็นเดินบ้างนะเดินสิบเก้ายี่สิบเก้าเดินเก้าหน้าถอยหลังนะเดินออกซ้ายออกขวาแลฝึกรู้ต้นต้นอย่างนี้ก่อนฝนะึกรู้เดินให้ชานาญแต่ว่าพออารมณ์ปานกลางนี่ก็จะมารู้ละเอียดขึ้นนะนอกจากรู้เคลื่อนรู้หยุดแล้วยังรู้ว่าเวลา ยกเวลาเหยียบหนักมันเบามันสะเทือนไปไหนรู้ละเอียดขึ้นพับตาอ้าปากหายใจเหลวซ้ายไหลขวาก้มเงยทั้งที่ตั้งใจรู้แล้วไม่ตั้งใจรู้เนี่ยคนปานกลางก็จะรู้ได้ละเอียดขึ้นรู้ได้ถึงพับตาอ้าปากรู้ได้ทหายใจลึกหายใจตื้นหายใจยาวหายใจสั้นเหลยวไซ้ายไหลขวาสิบครั้งอาจจะรู้ได้ถึงห้าครั้งอันนี้คนปานกลางคิดจิต ค, คิดออกไปสิบครั้งอาจจะรู้ถึงห ครั้งเจ็ดครั้งเราเวลาจิตไม่คิดก็เห็นอาการที่ไม่คิดว่าจิตเป็นอย่างไรเห็นอาการของจิต ด, ด้วยเวนะลาจิตคิดอาการของจิตเป็นอย่างไรคิดด้วยความอยากหรือคิดด้วยความรู้คิดด้วยมีสติหรือคิดด้วยขาดสติ mm hmm. คนปานกลางก็จะรู้ละเอียดขึ้นนะแต่คนมีประสบการณ์แล้วก็รู้สึกจิตก็จะนิ่งได้ง่ายได้อารมณ์เร็วพราะรู้จักวิธีปรับอารมณ์อยู่กับปัจจุบันนะ อารมณ์ปรามัดคือหมายถึงรูร้ตัวทั่วพร้อมตัดสินใจได้ไวแล้วสามารถทําจิตให้นิ่งได้ไวพอนะจิตสติเข้มแข็งแล้วเนี่ยสามารถล็อกจิตได้เร็วไม่ให้จิตสัานไปกับอารมณ์จัดการกับอารมณ์ได้เร็วอารมณ์ชอบไม่ชอบได้เห็นความอยากได้เร็วขึ้นว่างั้เถอะนั่งตรงนี้มาอยากไปตรงนั้นเห็นมันก็ไม่ไปกับมันยืนตรงนี้มาอยากเดินไปตรงนั้นเห็นความอยากซะก่อนก็ไม่ไปกับมัน เพราะนั้นคนที่มีประสบการณ์แล้วมักจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าสามารถจัดการกับความอยากได้แต่คนใหม่กับคนกลางๆนี่มักจะล็อกจิตไม่เคยอยู่มันยังพาไปนู่นไปนี่ได้หรือง่ายอันนี้เราก็รู้ว่าเอาคนไหนเป็นคนใหม่คนไหนเป็นคนปานกลางคนไหนเป็นคนเก่าแต่ว่าคําว่ากลางปานกลางเก่าใหม่ในที่ไม่ได้ตัดสินตรองการเวลานะตัดสินนี่การควบคุมตัวเองได้ง่ายได้เร็ว ถึงคนมาใหม่สามารถควบคุมตัวเองได้ง่ายได้เร็วก็ถือว่าเหมือนคนเก่าแต่คนเก่าปฏิบัติมานานแล้วควบคุมตัวเองได้ยากยังซ่านยังวันไหวยังไปกับความคี้ความอยากอยู่ถึงนานก็ถือว่ายังปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติมานานปฏิบัติไม่ถูกก็ยังไปกับความคิดไปกับอารมณ์ได้ง่ายอยู่นั่นคําว่าเก่าใหม่ไม่ได้ตัดสินในการเวลาตัดสินกับการสามารถดูแลตัวเองได้ได้เร็วจัดการปัญหาได้เร็วหัวกัน คนณในจัดการปัญหาได้เร็วนิ่งได้เร็วจัดการความคิดได้เร็วจัดการความอยากได้เร็วถึงมาปฏิบัติใหม่ก็ถือว่ามีพื้นฐานมีคุณสมบัติทางจิตดีเนี่ยคนบางคนปฏิบัตินานแล้วยังจัดการจุดนี้ไม่ได้ก็เหมือนผู้ใหม่อยู่อันนี้เพราะนั้นอายุของจิตนับกันที่การจัดการกับปัญหาไม่ได้นับการเวลาเพราะว่าเวลาสําหรับการฝึกจิตนี่มันไม่มีเป็นอากาลิโก้อาจจจัดการได้ทันทีทันใดเลย ถ้าเราไม่เข้าใจจัดการมาได้ก็อาจจะไม่รู้จัดการได้เมื่อไหอไร่เป็นอาการลิโก้เหมือนกันนะดังนั้นก็ในบทเรียนเชาวนันี้เอาเป็นแบบนี้นะแล้วลองไปทําดูก็ไม่ใช่ไปทําตอนที่เราไปเดินจุงคุมสร้างจังหวะเท่านั้นนะมาความเริ่มต้นตั้งแต่เราลุกไปเนี่ยลุกไปรับอาหารลุกไปเข้าห้องน้ําลุกไปจัดผ้าจัดเสื้อลุกไปจัดรถจัดลาลุกไปจัดที่อ่า พักอาศัยเนี่ยตามรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อการฝึกทั้งในรอกในรูปแบบและนอกรูปแบบแต่สําหรับผู้ใหม่ยังไม่คุ้นก็อาจจะไปตั้งใจในตอนทำรูปทำรูปแบบนอกรูปแบบยังทําไม่ได้เพราะยังไม่มีประสบการณ์แต่สําหรับคนที่เข้าใจปานกลางหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็จะสามารถทําได้ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบก็จะปฏิบัติถ้าทําได้นอกรูปแบบด้วยนี่มันหมายความมันเร็วขึ้นอะ เพราะเวลาที่อยู่นอกรูปแบบมันก็เยอะเหมือนกันนะเวลากินข้าวอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าคุณไห้ฝึกสังเกตฝึกเฝ้าดูการปฏิบัติการพัฒนากรรมรปเด็๋ก็เร็วขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ทำเพราะนั้นก็ให้ไปสังเกตทั้งสามระดับผู้ยังใหม่ผู้ปานกลางผู้มีประสบการณ์ว่าเราจัดการกับปัญหา ปัญหาเบื้องต้นสําหรับผู้ใหม่ก็คือความขี้เกียจความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่ออันนี้เป็นปัญหาสําหรับคนใหม่ปัญหาสำหรับคนปานกลางก็คือความคิดความพุงแต่งความชอบความไม่ชอบความอยากคนปานกลางก็จะมาติดอยู่นี้ปัญหาสําหรับคนที่มีประสบการณ์รูปป้ปรัติแล้วปัญหาก็คือไปติดติดสงบติดพอใจในสิ่งที่ละเอียดติดนิ่ง ติเสษนะชวมันสบายแล้วก็อยากจะเศษบางไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากอันนี้ก็ปัญหาของแต่ละระดับก็จะยากต่างกันโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติในระดับปรมาภิษฐ์แล้วนี่ไปเสพในความสงบเสษในฌานเสษในตัวรู้เสษในตัวนิ่งเสษในตัวไม่คิดก็ตรงนั้นก็ต้องระวังเฝ้าดูเพราะนั้นผู้ที่มีประสบ ก, การณ์มากแล้วต้องศึกษา รายละเอียดมากขึ้นระหว่างจิตที่มีความอยากกับไม่อยากต่างกันอย่างไรระหว่างจิตที่มันปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งต่างกันอย่างไรระหว่างจิตนิ่งกับจิตเคลื่อนต่างกันอย่างไรระหว่างจิตเกิดกับจิตดับต่างกันอย่างไรก็จะย้อนกลับมาศึกษาเบื้องต้นท่ากลางไปใหม่เพราะนั้นผู้ที่รู้ปรมาจแล้วก็จะมักจะทบทวนบทเรียนให้ชานาญนะเพื่อชียนาไปเสนอคนอื่นได้ง่าย เพราะเรามีประสบการณ์ก็จะพูดในสิ่งที่มันสลับซับซ้อนให้มันง่ายขึ้นนะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนี่สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วดังนั้นในวันนี้ลองไปทำกันดูให้บทเรียนกันเป็นวันๆไปถ้าคนไหนไปทำแล้วมันไม่ได้ตามนั้นนะมาก็คอยดูคอยแก้ไขไปได้เรื่อยๆสำหรับบางคนยัง ควคุมตัวเองไม่อยู่บางทีมันอารมณ์มันเข้าเราก็ไม่ทันรู้ตัวแล้วก็นึกไม่ออกว่าวันนี้ตัวเองอยู่ในบทเรียนไหนบ้างเพราะมันเข้าไปในอารมณ์เพราะนั้นพอเข้าไปในอารมณ์นี่จะลืมหมดเลยจนกว่าจะตั้งสติขึ้นมาใหม่บางครั้งตั้งสติไม่ได้เราก็ไปเตือนกันเอาอ น, นี่คือบางครั้งก็มีเผลอเหตุการณ์พาไปเช่นะเราชวนกันคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มันหลุดผมนะมันหลุดปับ๊บเราออกไม่ได้ ติดอารมณ์เพราะฉะนั้นในช่วงปฏิบัติเราจึงไม่อยากให้มีการขุดคุยโดยไม่จําเป็นเพราะมันทําให้ผลอได้ง่ายแล้วก็ออกมายากเพราะในการคุยกันมันจะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแล้วมันมีรสชาติที่ละเอียดอ่อนอเพราะนั้นในช่วงเช้าหลังจากที่ให้รับอาหารแล้วเราก็มานั่งทานกันตรงนี้ พอคุณไหนทานเสร็จก่อนก็ไปทำธุระส่วนตัวเสร็จเราก็จะไปอาคารหลังใหญ่รีบัด ต, ตรงนู้นรวมกัน อ, อยังถ้าเรื่องหนึ่งช่วงเพลนช่วงเพลเราก็ไปทานตรงนู้นพอเพลงเสร็จ ก็เตรียมตัวไปสถานที่ด้านนู้นเพื่อหลบเสียงหลบร้อนหลบแขกหลบอะไรเพราะเราสมัครมางานนี้คือต้องการไม่ต้องการที่จะไปเสียเวลากับสงการที่เราเสียเวลามานานแล้วเปลี่ยนเวลาปฏิวัติสงการมาเป็นก็น เ, ปนนเป็นสงจะเป็นสังฆเพื่อปฏิบัติเพื่อเราจะได้เปลี่ยนเวลาที่มีมีสาระน้อยเนี่ยให้มีสาระมากเป็นเวลาที่เราหยุดอย่างเงี้ยหาเวลายาก โอกาสหยุดเทศกาลเราก็เอาเวลานึงมาพัฒนาตนเองให้ได้บุญกุศลสูงขึ้นนะให้ทานแล้วก็ได้ให้ทานได้ดีกว่าเดิมให้ทานเมื่อก่อนมุ่งแต่วัตถุแต่เดี๋ยวนี้เราให้อวอภัยาทานบ้างให้ธรรมาทานบ้างทําให้เราได้ทานสูงขึ้นนันในช่วงร้อน นะช่วงร้อนกลางวันถ้าหากว่ามันร้อนเนเหตุทําให้เรากระสับกระส่ายทนไม่ได้ก็เตรียมผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอน้ําไปผืนหนึ่งแล้วก็ชุบชุบน้ําบิดแล้วก็มาห่มใช้ผ้าติดแอร์วันหนุพ่อก็เอาผ้าจีวรชุบน้ําทั้งผืนแล้วเอามาห่มหก็ใช้ผ้าติดแอก็สบายตลอดกว่าจะถึงเย็นก็แห้งพอดีแห้งขาตัวนะอันนี้แล้วก็ช่วยนะฮะวิธีบําบัดเอาตรงไหนมันมี ริ้นมียุงอะไรเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็ต้องทดสอบก่อนว่าเราเรากลัวมันไหมเราหนีมันไหมก็ดูว่ามันเราพยายามดูแล้วเป็นเหตุให้เราต้องอ่าขาดสมาธิได้แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแต่อย่าเปลี่ยนบ่อยพอเปลี่ยนไปแล้วพออะไรพอทนได้ตรงนั้นก็ทนสูญไปเรื่อยๆการภาวนาที่ดีเนี้พยายามอยู่ที่เดียวนะไม่เปลี่ยนที่บ่อยมันจะได้อารมณ์เพรจิตของเรา มันคุ้มตูวตรงไหนก็จะได้อารมณ์ตรงนั้นง่ายแต่ถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันมีเหตุการณ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่หยุดหยุดไม่ได้เพราะว่าจิตของเรามันมีแผลแล้วจิตของเรามีแผลคือความอยากเหมือนแมลงวันพอมันเกาะแล้วมันมันจะวางไข่ถึงมันไปแล้วแต่ว่าหนอนมันไข่มันกลายเป็นหนอนะความอยากองเหมือนแมลงวันพอมาเกาะจิตของเราเนี่ยมันวางเชื้อไว้ด้วยสักพักหนึ่งมันก็อยากใหม่ นอนมันไข่แมลงวันกลายเป็นนอนแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าความคิดมาเกาะเหมือนแมลงวันมาเกาะเราไล่มันไปก่อนมันก็ไม่ทันได้วางไข่เพราะนั้นเราตรวจสอบจิตให้ดีว่าความคิดคความอยากความอยากคือความคิดนี่แหละถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่อยากถ้าไม่ไมีอยากมันก็ไม่คิดตรวจสอบตรงนั้นถ้ามันมาเกาะ เราจัดการไล่มันทันทีถ้าไล่ไม่ออกแล้วก็<ถ>มาทำความรู้สึกตัวให้ชัดๆใส่ ย, ยาลงไปความรู้สึกตัวชัดๆนี่เป็นยาแรงสําหรับความคิดถ้ารู้สึกตัวไม่ชัดเป็นยาอ่อนความคิดก็กําเริบอันนี้ทุกๆระดับจะเป็นเหมือนกันอันนั้นในช่วงของการปฏิบัติ เราก็ตั้งใจศึกษาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถาน ก, การณ์ไหนทําจิตให้มันอยู่กับปัจจุบันให้เร็วขึ้นนะบางครั้งมันมีเหตุการณ์ผันผวนคนนั้นไปคนนี้มาเพราะบางคนที่มายังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ว่า เ, เวลาปฏิบัติเล้วมันก็หลบหาทางหลบหรือหาทางอยู่กับตัวเองนิ่งๆคนอื่นวุ่นวายกับรเรื่อ ง, องเขาไปเราก็พยายามมาดูจิตของเรากับเพิ่มกับเหตุการณ์เหล่านั้นไหม พร า, าเราไม่สามารถจะไปควบคุมให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้แต่ว่าเราก็มาคุมใจเราได้คุมใจเราไม่ให้ไปกับเหตุการณ์นั้นได้แต่เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปหยุดยัง้งเหตุการณ์นั้นได้ น, นี่เราก็คอย สังเกตไปในะนช่วงของทานอาหารเช้าเสร็จแล้วล้วก็ภาวนาอยู่อาคารด้านนู้นเราหารเช้าพานาังทานกันที่นี่เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนที่บ่อยครั้งพนะอทานเสร็จ คนให้เสร็จก่อนก็ไปทําเพื่อส่วนตัวคนให้ไม่เสร็จก็ทานไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะให้กิจกรรมทุกอย่างเป็นไปได้วยความมีความผ่อนคลายสบายอย่าไปรีบตามเพื่อนเห็นเพื่อนลูกไปอยากลูกเห็นเพื่อนไปไปอยากไปไม่ใช่เงั้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่ช้าเกินไป mm hmm. พอดีว่างั้นอแต่รู้สึกผ่อนคลายสบาย mm hmm. ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาบีบคั้นหรือ บ, รบังคับให้เราต้องเลิกตรงรีบทําแบบผ่อนคลายสบายมันก็จะเกิดประโยชน์ตรงนั้นนะอสําหรับ สิ่งของเครื่องใช้ที่ติดตัวไปนอกจากน้ําดื่มอาจจะติดรถไปพวกเสือ้อพวกอาสนะติดร์ส่วนตัวของของใครของมันไปแก่ได้ไม่เป็นภาระแก่กันไรกันในช่วงบ่ายบ่ายมุมถึงบ่ายสามเราอยู่ตรงที่ป่าตรงนั้นเพราะเป็นช่วงที่ร้อนจัดจัดพอบ่ายสามถึงห้าโมงถ้าบ่ายสามยังร้อนจัดอยู่จะเดิน มันยังไม่มียุงมากวนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสี่โมงถึงห้ามงหรือเรื่องมียุงมากวนในบ่ายสามแล้วก็เปลี่ยนมาที่สลาอากาศก็ล่มเบาลงละฉะนั้นในช่วงองการปฏิบัติเราก็ดูสิ่งแวดล้อมเหมือนกันว่าถ้ามันเอื้อล้วก็อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เอื้อแล้วก็เปลี่ยนแต่ก็อยากจะให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเผื่อว่าช่วยดูแล เป็นกำลังของกันและกันผู้เกา่าก็เป็นกำลังของผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็ได้อาศัยแบบอย่างจากผู้เกา่าเพราะนั้นเสือสั้นเรามีอยากจะให้เตรียมเสือสั้นไปเวลาปูแล้วมันจะได้กว้างขึ้นนอกจากสะนะนั่งแลเสือแล้วเสียเสียลำแพน สั้นแค่วานะเม็ดถึงเอาไปคนละผืนทั้งนู้นทั้งนู้นมีแต่เสียยาวเสือเขามีอยู่เขาไม่จะเป็นก็ไม่อยากใช้ของเขาละเราขี้เกียจไปเก็บเสือของเราเสียสั้นมีอยู่มันก็เตรียมไปเท่ากับจำนวนคนใส่รถไปเพราะว่าถ้าเราขี้เกียจเดินยาวก็เดินบนผืนเสือ่อได้ได้สามเก้าห้าเก้าก็ยังดีเดินเก้าหน้าถอยหลังถ้าเรา ควบคุมตัวเองให้จํากัดอยู่ในวงแคบๆได้เนี่ยมันก็มีทําให้ได้อารมณ์เร็วนะแล้วถ้าหากว่าจิตของเราไม่ตึงไม่เครียดไม่เกร็งแต่ว่าหากว่าเคลื่อนไหวในวงแคบทําให้จิตมันเกร็งมันเครียดมันตึงแล้วก็ขยายบงกว้างขึ้นอีกนิดหนึงก็ได้นะนั้นก็เอาสี่ออาสนะหดน้ําผ้าเช็ดหน้า เวลาอากาศมันร้อนจัดๆแล้วก็มีน้ำชุกพ่อก็ใช้เวทกีวนทั้งผืนเลยแหละพอแทนที่เราจะ ก, กระสักกระส่ายไปกับความร้อนก็เย็นเย็นสบายค่อยปรับเอาอันนั้นในช่วงเช้านี้เราก็ประลกุกันที่นี้ทุกคนอีกนิดหนึ่งว่าผู้ใหม่ดูการหยุดการเคลื่อนให้ชัดหรือว่ายืนไม่ว่าเดิน ไม่ว่านั่งหรือไม่ว่าเดินการหยุดการเคลื่อนให้ชัดผู้ปันกลางก็ดูความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือสัมปชัญญะสมาธิของรูปของนามว่าการสั่นสะเทือนแต่แต่หัวจุดเท้าการเข้ากันออกของความคิดตลอดถึงอิริบทย่อยผู้ปันกลางนี่ศึกษาเยอะหน่อยอิบทย่อยมีเยอะเน้นที่สัมปชัญญะให้มากที่สุดลสเลี้ยวใส่ไหลหัวกลมเงยหยิบหยับหยับเฉยพยายามตามรู้ให้มาก เพราะว่าจิตรู้รูปนามก็นิ่งได้ระดับนี้คือผู้ปั่นกลางผู้มีประสบการ์แล้วก็ระวังการเสดสุขในความสงบในความนิ่งแล้วก็การที่เราอาจจะไปตัดสินคนที่ทำไม่ถูกคือทำไม่ตั้งใจ ได้ง่ายเป็นนึกตำหนิอะไรต้องระวังจุดนั้นความพอใจไม่พอใจแต่ทั้งสามระดับนั้นมีตัวเกณฑ์วัดอยู่ที่ความจัดการความพอใจไม่พอใจจัดการความอยากได้มากน้อยขึ้นไหนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดถึงความรวดเร็เรวของสติเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปใส่ใจศึกษาแค่สองตัวเนี่ยคือความพอใจไม่พอใจความรักความชอบเนะี่ยมันเข้ามา เป็นตัวปรับอีกเสมออย่าลืมว่าทั้งตัวพอใจไม่พอใจมันเป็นทั้งตัว ทำลายและตัวสร้างสรรค์ในตัวของมันแล้วแต่เราจะใช้มันเป็นถ้าเราใช้มันเป็นมันก็เป็นตัวสร้างสรรคถ้าใช้มันไม่เป็นมันก็จะเป็นตัวทำลายความอยากความชอบความไม่ชอบความติดใจไม่ติดใจความรักความชังสร้างสรรค์ให้เป็นศีลสิส่งี่ปัญญาก็ได้สร้างสรรค์ให้เป็นราคะโทสะโมห OH ะก็ไดนะ้ขึ้นอยู่กับเรามีตัวรู้นะเข้าไปจัดการนั่นเองก็ช่วงเช้าในช่วงที่เราเข้าใจ